พระอนุบัญญัติ518อนึงภิกษุใดออกปาราะจีวันจากครือันชายหรือครืหัด์หญิงผู้ไม่ใช่ญาตินอกสมัยต้องอาบัณนิสศักดยกาิจิตีสมัยในข้อนั้นคือภิกษุถูกโจรชิงออกไปหรือจีวันสูญหายนี้เป็นสมัยในข้อนั้นเรื่องภิกษุถูกชิงจีวันจบ